เจริญพรท่านผู้สนใจเจริญภาวนาทุกท่านในวันนี้จะได้พูดในหัวข้อเรื่องว่าการใช้อานาปานสติโยงสู่สติปัฏฐานสซึ่งก็เป็นการต่อเนื่องจากการบรรยายในครั้งที่แล้วคือครั้งที่แล้วนี้พูดเรื่องหลักทั่วไปของสติปัฏฐาน ว่าที่จริงนั้นอาณาปานสติก็อยู่ในสติปัฏฐานอยู่แล้วคือเป็นหมวดแรกในกายานุปัสนาสติปัฏฐานกายานุปัสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นสติปัฏฐานหมวดที่หนึ่งแบ่งออกไปเป็นหกหมวดแล้วก็อาณาปานสติกก็เป็นหมวดหรือตอนที่หนึ่งในหกหมวดนั้นทีนี้ ที่เป็นข้อพิเศษในคราวนี้ก็คือว่าเราจะใช้อานาปานสติเนี่ยเป็นตัวโยงหรือเป็นตัวนําการปฏิบัติให้เข้าสู่สติปัฏฐานครบทั้งสี่มวดหมายความว่าใช้อานาปานสตินี้ปฏิบัติชนิดที่ว่าให้โอบไปครอบคลุมสติปัฏฐานครบสี่ตลอดทั้งหมดอันนี้ก็เป็นวิธีปฏิบัติ ที่เรียกว่ามีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งว่าที่จริงเรื่องอนาปาลสตินี้ก็ได้บรรยายมาหรือพูดถึงนี่มานานแล้วตั้งแต่ตอนพูดเรื่องจิตภาวนาคือในตอนจิตภาวนาหรือการเจริญสมถะก็จะมีอนาปานสติเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งในสี่สิบอย่างด้วย เพราะฉะนั้นเราจะเจอหรือพบชื่ออานาปานาสติตั้งแต่เรื่องการเจริญจิตภาวนาโดยเลือกจากกรรมฐานสีส่สิทีนี้ตอนนี้เราจะได้เห็นการนำเอาอานาปานาสตินั้นมาใช้ในการนำการปฏิบัติเข้าสู่วิปัสสนาด้วยแล้วก็เป็นวิปัสสนาชนิดที่ว่า ปฏิบัติไปจนกระทั่งถึงที่สุดบรรลุจุดหมายทีเดียว เ, เรื่องที่ว่าจะโยงอานาปนสติเข้าสู่สติปัฏฐานครบทั้งสี่อย่างนั้นในคราวที่แล้วก็พูดหลักการทั่วไปให้เห็นไว้แล้วว่าความจริงเมื่อเราเริ่มปฏิบัติโดย จับเอากายานุปัสสนาเป็นจุดเริ่มต้นเราก็สามารถที่จะปฏิบัติไปจกนกทั่งตลอดลุล่วงสติปัฏฐานทั้งสี่ได้เพราะว่าสติปัฏฐานสี่นั้นเหมือนกับว่าส่งทอดต่อกันไปเป็นลำดับถ้าเราตามให้ดีเราก็จะได้ จเจริญสติปัฏฐานไปครบทั้งสี่อย่างอย่างในคราวที่แล้วนี้ก็ได้ยกตัวอย่างการเคลื่อนไหวว่าถ้าหากว่าเรากําหนดการเคลื่อนไหวร่างกายสักอย่างหนึ่งตามดูการเคลื่อนไหวไปแล้วเรามองดูพร้อมกับการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นก็จะมีความรู้สึกคือเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจะเป็นเวทนาที่เป็นสุข สบายหรือเป็นทุกข์ไม่สบายก็ตามหรือแม้แต่เฉยๆแล้วเราก็สามารถไปกําหนดดูเวทนาที่สืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นเมื่อตามดูเวทนาไปเราก็สามารถจะมองลึกลงไปอีกเห็นสภาพจิตที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยอิทธิพลของเวทนาเช่นเกิดความชอบใจไม่ชอบใจเกิดราคะโทสะทีนี้ เราก็จะมองเห็นสภาพจิตใจที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีความยินดียินร้ายชอบชังแล้วถ้าเราลงลึกไปอีกเราก็สามารถมองลงไปที่ตัวความชอบใจไม่ชอบใจตัวโทสะหรือความยินดียินร้ายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในจิตใจนั้นามองลงไปถึงตัวสิ่งที่ดีหรือไม่ดีสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลในใจนั้น ก็เป็นการมองดูธรรมะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในใจอยู่ในความคิดนึกของเราก็เท่ากับ ว, ว่าเข้าสู่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ครบสี่อย่างคราวที่แล้วนี้ก็ได้พูดอย่างนี้ไปแล้วนีการที่เรานำเอาอน า, าบานสติมาเป็นตัวโยงสู่สติปัฏฐานสี่นั้นก็ใช้หลักการอันนี้นั่นเองคือใช้แนวปฏิบัติอันนี้แหละ แต่คราวนี้เราเจาะจงลงไปเลยว่าเราจะใช้อานาปานาสติเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็โยงเข้าหาสติปัฏฐานทั้งสี่ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่เหมาะมากหมายความว่าได้ผลดีแล้วก็น่าทำแล้วก็โดยเฉพาะก็คือว่าพระพุทธเจ้าก็ได้จัดวิธีการเป็นตัวอย่างไว้ให้เราแล้วด้วย ซึ่งวิธีการนี้ก็มาในอาアาปาณสติสูตรซึ่งเป็นพระสูตรหนึ่งที่ว่าเรื่องนี้โดยตรงก็ไปลงว่าจุดเด่นอันหนึ่งในวิธีปฏิบัติคราวนี้เนี่ยซึ่งเรามาเจาะ จ, จงทำรรคือเราจํากัดตัวแคบลงจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วนี่เราพูดถึงหลักสติปัฏฐานเป็นหลักทั่วไปคราวนี้มาเจาะจงว่า เราจะเดินเข้าสู่สติปัฏฐานนั้นโดยใช้สติอาณาปานาสติเป็นตัวนำแล้วก็ยังมีจุดเด่นวิเศษก็คือว่าเราให้อาณาปานาสติเนี้ยคงอยู่ตลอดด้วยไปคือมีการที่ว่ากำหนดลมหายใจไปด้วยพร้อมทั้งตามดูรู้เห็นสภาพความเป็นไปในชีวิตจิตใจที่เป็นส่วน ของสติปัฏฐาน อ, อื่นๆไปด้วยอันนี้หลักการนี้ก็คือว่าแทนที่เราจะปฏิบัติเรื่อยๆไปตามวิธีการทั่วไปของสติปัฏฐานปฏิบัติไปพอดีไปตรงช่องทางไปตรงโอกาสที่เป็นไปได้ธรรมดาของมันเราก็ตามมันไปเรื่อยๆอย่างที่ว่าเคลื่อนไหวไปแล้วก็ มีความรู้สึกเกิดขึ้นเราก็กําหนดไปตามนั้นคือว่าอารมณ์อันใดโผล่ขึ้นมาปรากฏตัวขึ้นมาก็กําหนดอันนั้นคราวนี้เราไม่ปล่อยอย่างนั้นแหละคราวนี้เรากลายเป็นว่าเรามาใช้ช่องทางหรือโอกาสที่มีอยู่นั้นให้เป็นประโยชน์อย่างจงใจทําแล้วก็จงใจทําให้อารมณ์ที่เราต้องการได้เกิดมีขึ้นมา มันก็เลยทำให้ดูเหมือนกับว่าเวลาเทียบกันแล้วมีการปฏิบัติสองแบบแบบหนึ่งก็เป็นแบบที่ปฏิบัติเรื่อยๆไปตามธรรมชาติอย่างที่บอกว่าอารมณ์อันใดปรากฏตัวขึ้นมาก็กำหนดอารมณ์นั้นรู้เท่าทันตามความเป็นจริงแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือวิธีที่กำลังจะพูดนี้เป็นวิธีปฏิบัติแบบ จงใจจับสันควบคุมแต่นี้เมื่อพูดว่าวิธีแรกเป็นวิธีที่ทำไปเรื่อยๆตามธรรมชาติก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดี๋ือจะกลายเป็นว่ามีวิธีแบบธรรมชาติกับไม่ใช่ตามธรรมชาติซึ่งที่จริงนั้นการปฏิบัติในเรื่องสติปัฏฐานเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดเป็นการปฏิบัติตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นการใช้คำว่าตามธรรมชาติอาจจะทาให้เข้าใจคล้าย ที่จริงนั่นเป็นการที่ว่าเราเอาความรู้ในธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยเอาความรู้นั่นมาเป็นหลักแล้วเราก็ปฏิบัติให้เป็นไปนตามนั้นทีนี้วิธีแบบเจาะจงทมนี้ก็เป็นการที่ว่าเราอาศัยช่องทางของธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ทำให้มันเข้าแนวทางตามที่เราต้องการ โดยที่ว่ากระบวนการนั้นเองมันก็เป็นไปนตามธรรมชาตินั่นแหละนี่ก็เป็นวิธีการที่นำเอาความรู้ในกฎเกณฑ์หรือความเป็นไปตามธรรมชาตินั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างที่เรียกว่าอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้ก็อยากจะให้เลี่ยงคำว่าตามธรรมชาติเพราะเดี๋ยวจะเกิดคาว่าไม่เป็นธรรมชาติขึ้นมา แต่ว่าจะใช้ศัพท์ว่าอย่างไรคือให้เห็นเรื่องการคล้ายๆว่าแบ่งวิธีปฏิบัติสองแบบนี้อาจจะใช้เรียกว่าเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปอย่างกว้างกับแบบจำเพาะหรือเจาะจงทำก็อาจจะเรียกว่าแบบคุมกับแบบไม่คุมคือแบบแบบที่จะทําต่อไปตามอนาภรณสตินี้ก็เป็นวิธีแบบคุม แบบทั่วไปนะั่นก็เป็นวิธีแบบไม่คงหรืออาจจะเรียกว่าเป็นแบบกระจายตามเป้าก็แบบนําวิถีอะไรทํานองนี้แล้วแต่จะตั้งชื่อขึ้นมาแตใ่ให้ลักษณะที่ต่างกันอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าหลักใหญ่ๆ ห, หรือหลักการทั่วไปนี้อย่างที่แสดงในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นพระสูตรใหญ่นั้น เป็นวิธีปฏิบัติอย่าง ก, างกว้างๆแสดงไว้เป็นกลางๆนี้ใครจะเอาไปเจาะจงทำรรอย่างควบคุม<ๆ>ก็อาศัยหลักการทั่วไปนั่นแหละไปปฏิบัติเป็นหลักที่เปิดช่องให้แลเราไปคิดไปจัดไปเจาะจงทำเอาทีนี้ข่าวนี้นั้นก็เป็นการที่จะเอาความรู้จากหลักทั่วไปที่วางไว้เป็นกลางกลางกว้างๆนั่นแหละ มาปฏิบัติแบบเจาะจงรรำแล้วก็เป็นการเจาะจงรำตามแบบของอานาปานสติสูตรที่พระพุทธเจ้าจัดไว้เองเราก็จะมีการปฏิบัติอย่างควบคุมเจาะจงไปในวิถีที่ต้องการนั้นก็ขอยกตัวอย่างให้ชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งเช่นอย่างว่าในการปฏิบัติแบบหลักทั่วไปที่เป็นกลางๆมีเวทนาอะไรเกิดขึ้น เราก็รู้ชัดเวทนานั้นแต่ว่าในการปฏิบัติแบบเจาะจงนี้เราปฏิบัติตามเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาที่เราต้องการใจะให้เกิดเวทนาอย่างนั้นเกิดขึ้นมาเราก็จับเวทนานั้นมาใช้กําหนดรู้เท่าทันชัดเจนตามเป็นจริงปฏิบัติต่อเวทนานั้นให้เข้าช่องที่จะส่งผล ไปอย่างนั้นอย่างนั้นคือให้บรรลุจุดหมายที่เราต้องการคือที่เป็นจุดหมายอันถูกต้องนี่คิดว่าการทำความเข้าใจเบื้องต้นนี้คงจะพอสมควร